คือคือพอทุกเกิดขึ้นกับตัวเองแล้นะทรมานทรกรรมเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้คราวนี้จะไปให้เบตัวนั้นอีกไม่เอาแล้วเปตัวนั้นหนีไปไหนเราก็ไม่รู้เท <laughs> <laughs> ่ากับพ้นทุกไปแล้ว <laughs> คือเลิกเลิกเอากงจากไว้บนหัวตัวเองได้ก็เหมือนกับใช้นีิกรรมหมดก็ไปผลไปเกิดซะสำโดนเขาก็ใช้แบบว่าไปผุลไปเกิดซะส่วนเจ้าคนบาปคนนี้ก็กลายเป็นเปรตแทนแล้ว ก็ต้องมารับใช้กรรมของตัวเองก็เพราะกความโง่ของตัวเองนั่นเองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผูดอย่า น, นี้พูดให้ให้รู้เรื่องของคําว่าวิชาว่าต้องรู้แจ้งให้ได้นะถ้ารู้ไม่แจ้งเนี่ยตามันจะกลับมันจะเห็นดําเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำํำอ่เข้าใจคําว่าตากลับไหมไม่ไม่ใช่อ า, อาอะไรนะ ตาหันข้านอกหันเข้าข้างในอตาหันข้างในหันหันออกข้างนอกนะตากลับนี่คื อ, ค, อความรู้สึกมันคิดถูกเป็นผิดคิดผิดเป็นถูกเงี้ยนะเนียเนี่ยฮ้นนยอนวิ ช, ชานี่คือเห็นตามจริงอะไรเป็นทุกก็เห็นตามจริงว่าเป็นทุกคนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมะเป็นทุกเห็นตามจริงเนี่ยนี่คือวิ ช, ชาส่วนข้อที่สาม ข้อที่สาเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยชีวิตจะบริสุทธิ์ได้นะข้อที่หนึ่งกรรมข้อที่สองวิชาก็ข้อที่หนึ่งก็คือการกระทําข้อที่สองก็คือความรู้แจง้งข้อที่สามธรรมะคือความดีในโลกนี้แหละทั้งหมดทั้งปวงเ น, เนี่ยเนี่ยเนี่เห็นไหมว่าตะกี้อาจามัก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่ากรรมเนี่ยต้องหมายถึงกรรมที่ดีนะ วิชาก็เหมือนกันที่เราใช้วิชาก็ต้องหมายถึงว่าที่ดีที่ถูกต้องเพราะนี่ข้อที่สามเนี่ยแหละถึงต้องบอกว่าธรรมะเพราะตัวนี้แหละจะมาย้ําต้องเป็นความดีนะต้องเป็นความถูกต้องนะคนนั้นถึงจะเรียกว่าโอ้โหอุตสาหภาคเพียนนะทําทําำแหมคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีแล้วถูกต้องแล้วทำทำทำใหญ่เลยแต่ขยันก็ตาม พ่อท่านเคยใช้สำนวนแม้จะวิริยะขยันภาคเพียรสักปานใดก็ตามแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วส่วยอันนี้อจะมาพูดเองส่วยยิ่งคนโง่เนี่ยคนที่นึกว่าทำในสิ่งที่ดีแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เลวนะคือหลงอะ่ะก็เหมือนเหมือนที่ตะกี้บอกคนบาปนั่นไปขอ คือเขานึกว่าดีแล้วโหยิ่งก้มหน้าก้มตาขยันใหญ่เลยนะทำทำทำทำใหญ่เลยเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาให้ได้โอ้โหสุดยอดสวยเลยละ่ะเพราะข้อที่สองเขาแยกแยะไม่ได้ใช่ไหมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นแหละเพราะนั้นข้อที่สามเนี่ยจึงต้องย้ําเลยว่า <c oughs> ต้องเป็นสิ่งที่ดีต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะความขยันต้องขยันดีอย่าไปขยันเร็ว วัดมีเหมือนกันบางคนขยันเร็วเคยเคยมีไงถามเขาว่าเอาเมื่อไหร่จะเลิกกินลเล่าเลิกสูบบุหรี่สักทีแล้วเขาโ อ, ขา อ, อ้เขาเลิกไม่ได้แล้วเขาเลิกไม่ได้คำว่าเลิกไม่ได้หมายถึงว่าอะไรเขายังต้องขยันสูบขยัน <laughs> ขยันเสพอยู่ทุกวันไงไอ้คำว่าเลิกไม่ได้อะ อาตมายังเคยบอกว่าเอา้าทําไมจะเลิกไม่ได้ละ่ะคุณคุณสูบบุหรี่คุณกินเหล้ามาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เกิดเลยเลหรอเปล่านี่คุณไม่ได้ติดมาก่อนเลยคุณก็มาติดทีหลังอ่ะแล้วใบหม่เนี่ยเกือบทั้งนั้นแหละมันไม่อร่อยอยู่แล้วเหล้าก็ไม่อร่อยบุหรี่ก็ไม่อร่อยจริงๆไม่อร่อยเลยใครใครเคยมาบ้างจะรู้อาตมานี่ยโอ้โหกินเหล้าไปทีแรกอ่ะ แรกกินว่โอ้โหกินก็ได้ยังไงวะเนี่ยอร่อยแต่ประการใดเลยโอ้โหไม่เอกรื่อไม่ใจความเลยแต่แต่นี่มันเพื่อนฝูงมาอะไรใช่ไหมต้องทําไปอร่อยกินมันเข้าไปโอ้โหอ้จริงๆไม่อยังก็เสียหน้าใช่ไหมไม่อย่างนั้นจะก็เสียชื่อเราหมดก็กินกินเสร็จแล้วก็ขยันกินมันไม่อร่อยนะขยันกินกินกินจนมันชักชินอ่ะพอมันชักชินเออมันชักอร่อยแล้วกว่านี้ คือมันหลงแล้วมันมันมันอะไรอ่ะคุณเสพคุณอะไรไปเรื่อยๆเหมือนเพลงเนี่ยนะเขาบอกไม่ต้องเพลงเพราะหรอกเพลงเอาแค่พอใช้ได้เนี่ยเขาเอาไปแจกไอ้พวกดีเจสถานีต่างๆเนี่ยให้เปิดให้ได้ทุกวันทุกวันเดี๋ยวเพลงนั้นก็ดังคนมันฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆไม่ใช่มันเพราะนะ แต่คนมันเข้าหูบ่อยๆเข้าหูบ่อยๆมันจําได้เดี๋ยวก็ร้องยิงยิงยิงใหญ่เลยกลายเป็นเพราะไปได้แล้วเออเพราะมันมันจําได้แล้วมันก็กลายเป็นเพราะไยเดี๋ยวอะไรอ่ะจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็คลางยิ้งยิงยิ้งอยู่เพราะมันจําได้แล้วมันกลายเป็นเพราะไปเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉนั้นถึงบอกว่าอย่าไปขยันเร็วเพราะนนั้ขยันในสิ่งที่ดีแล้วมันแปลกนะ พอไอ้ของดีๆเนี่ยนะบังคับก็ตามบางทีรีดนาทาเล่นให้ทําไม่ค่อยจะยอมทําไม่ค่อยจะอยากขยันนะอา้าบอกคนให้ถือศีลบอกคนให้อะไรนะเอามาวัดมาฟังทำหรืออะไรโอ้ยยากเย็นยากเย็นแสนเข็นเอาพอมาฟังเสร็จแล้วนะเอา้าบอกให้ถือศีล เอาบอกให้ไปตัวสีนะเอาตั้งตาบานะไมตัวตบาบนะยากเย็นเผลอไม่ได้เผลอเป็นลืมเผลอเป็นลืมว่าอันเนี้ยเนี่ยเป็นสัจจะเลยนะเพราะว่าความดีเนี่ยเนี่ยมันต้องรู้แจ้งความดีถ้าคุณไม่รู้แจ้งจริงเลยนะชีวิตคนเราที่ที่แต่ละชาติแต่ละชาติที่ต้องมาเกิดอยู่ทุกๆชาติเนี่ยนะ มันโดนสิ่งไม่ดีเนี่ยโดนกิเลสมันยั่วย่อมันมอมเมาจนกระทั่งเราไปหลงเราไปติดสิ่งไม่ดีเนี่ยมากมากจนคุ้นคุ้นคุ้เคยชินกับสิ่งไม่ดีถ้าถามว่าให้ขี้เกียจกับให้ขยันขี้เกียจสบายกว่าขยันมันลําบากกว่าอ่าถ้าถามโดยทั่วไปนะก็จะเป็นอย่างนั้น ให้คุณทํางานไม่ต้องหนักแล้วได้เงินมากเออกับคุณทํางานหนักแล้วได้เงินน้อยคุณจะเอาอย่างไงแล้วโดยส่วนใหญ่ก็โห๊ยเอาทำงานเบาแล้วได้เงินมากดีกว่าใช่ไหมเดินไปเดินมาได้ 5,000 แล้วอะไรนะที่เขาชอบพูดอะทำงานทั้งวันไดพันห้ใช่ไหมเดินไปเดินมาไดห้าพันเอออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปติดอย่างนี้ จริงจเนี่ยเนี่ยคืออํานาจของกิเลสที่มันสะสมมาชาตินานเพราะฉนั้าพูดถึงความดีไม่ค่อยขยันแต่พูดถึงความไม่ค่อยดีขยันที่ขยันเพราะมันสะสมมานานมันทําอย่างนั้นมานานชาตินานปีแล้วเพราะนจะไม่แปลกใจเลยในโลกเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความดีแล้วคนทําน้อยถ้าพูดถึงสิ่งไม่ดี คนทำมากกว่าผู้เจ้าก็ยืนยันผู้เจ้าตัดยืนยันเลยในสิ่งนี้ท่านเปรียบบ่อยๆเปรียบอะไรไว้คนทำดีเปรียบเหมือนกับขนโควัวตัวหนึ่งเนี่ยเอาตัวใหญ่ๆนะวัวตัวใหญ่ๆหน่ยขนโคอาตมาเคยถามพวกเราว่าเออทำไม่ดีนะทาไม่ดีเนี่ยเปียบเหมือนกับขนโคเนี่ย เคยเยเคให้พวกเราประมาณดูว่าเออวัวตัวหนึ่งมันจะมีขนสักกี่เส้นนะก็ทําไปเปรียบกับขนโคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเออตัวหนึ่งจะมีสักกี่เส้นนะขนทั้งตัวเนี่ยแหละไล่ไวปตั้งแต่หูเนี่ยจนไปโจดถางเลยว่าตัวหนึ่งจะมีสักกี่กี่เส้นเส้นขนอให้เดามาสิสักกี่เส้นอาตมาก็ไม่ใช่ลูกโคบาน แล้วนะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะมีสักเท่าไหร่นะแต่แ ต, แต่เคยนึกเดาๆนะนึกเดาเดาโดยโดยนึกเป็นบริเวณนะเป็นพื้นที่คือนึกจากผมคนเราเนี่ยและนะเออดูคือคือเปรียบดูจากหัวหัวคนเราเนี่ยว่าพื้นที่สักแค่เนี้ยใช่ไหมเออแล้วมีขนอยู่ประมาณเท่านี้จะสักกี่เส้นคุณเดาหัวตัวเองเนี่ยกูว่าสักกี่เส้นแมน่าจะไปถามช่างตัดผมนะ เอาไว้เอาไว้ต้องไปถามพวกช่างตัดผมหน่อยว่าคิดว่าผมคนเราเนี่ยประมาณหัวหนึ่งเนี่ยจะสักกี่เส้นฮะทำไมจะนับไม่ได้หรอประโถเอ้ยนับได้สิแต่เราไม่เคยนับเท่านั้นเองฮะหัว <c oughs> คนเราเนี่ยเหรอ <c oughs> โอ้โหเกินไปแล้ะแหม ว่คนเป็นแสนเฉลยเกิน <c ười> <c ười> ไปมัง้ง <c ười> อาตมาว่าถ้าแยกเป็นพื้นที่แยกเป็นพื้นที่เนี่นะอตาตว่าไม่น่าถึงหรอกฮะโอ้โห <c ười> เป็นหมื่นเลยเหรออาตมายังใจอาตมายังรู้สึกมัไม่น่าจะเป็นหมื่นนะคุณอย่าไปคิดผมยาวาวนะมันยาวแค่ไหนอะมันก็เส้นหนึ่งก็ยาวแค่นั้นก็คื อ, คอเส้นหนึ่งนะอาเพราะถามว่าหัวเราเนี่ยจะมีสกี่เส้น มาว่าไม่เป็นหมื่นหรอกไม่ถึงหรอกเอาละช่างหัวมันเถอะนะขี้เกียจเดาเอาว่ามันเยอะกันแล้วกันแล้วยิ่งเปียบบัวตัวหนึ่งใช่ไหมโอ้โหยิ่งเยอะใหญ่เลยอแต่ว่าพอคนทําดีท่านเปรียบแค่แค่เขาคู่เดียวเพราะนี่ความดีเนี่ยโอ้โหแค่เขาวัวแค่สองสองเขาเท่านั้นเองอ แต่ว่าบัวทั้งตัวขนโหเยอะกักนมากซึ่งท่านเปรียบอันนี้อาจจมาว่าชัดเจนมากเลยว่าคนเนี่ยชอบขยันในสิ่งที่ไม่ดีแต่พอสิ่งดีเนี่ยมักจะขี้เกียจอ่าเพราะอตอนนี้ต้องกลับนะเม่กี้ที่บอกว่าตากลับเนี่ยนะัเราต้องกลับความรู้สึกให้ได้อย่างไหนที่เรารู้แจ้งแล้วว่าเอออย่างนี้ดีเนี่ยต้องพยายามท่านถึงต้องใช้คําว่าต้องทุ่มอิทธิบาทลงไป ต้องทุ่มความยินดีทุ่มฉันทะลงไปแล้วเราก็วิริยะมีความเพียรทุ่มลงไปเพื่อที่จะแบบว่าความดีเนี่ยต้องอดทนต้องภาคเพียรต้องมุ่ง ม, มั่นต้องบากบัน่นต้องพยายามถึงจะได้มาก็เพราะอย่างนี้นี่แหละคนมันถึงที่เกียดเนี่ยคนถึงที่เกียดเพราะมันได้มายากความดีต้องทุ่มเท เขาถึงบางทีไปเปรียบเหมือนกับเพชรที่จะเจรไนเพชรมีค่าเนี่ยต้องเจรไนลำบากกว่าจะเจรไนออกมาได้ถ้าเป็นก้อนฐานอยู่ไม่มีค่าอะไรเขาก็เปรียบอย่า ง, ง น, นะ น, นั้นนะอันเนี้ยเป็นข้อที่สธรรมะเนเราต้องถือว่าเป็นความดีแล้วคาว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ความดีธรรมดาด้วนะเป็นความดีที่ต้องทรงเอาไว้ด้วย ทรงเอาไว้ก็หมายถึงว่าต้องทําดีนั้นนะ่ะไปเรื่อยๆไปให้ตลอดคุณดีดีอะไรได้แล้วรักษ า, าไว้เสร็จแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้ทําเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยทรงเอาไว้ก็คือว่าทําให้มันได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นขยันดีแล้วยังจะต้องทรงไอความดีที่เราทําได้แล้วเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยที่เราเรียกว่ารักษ า, าไว้ นะพ่อท่านจะแปลบ่อยว่ารักษาไว้ไม่ใช่ว่าทำให้มันได้เท่าเดิมนะั่รักษาไว้อย่างหมอรักษาโรคเนี่ยก็คือทำให้โรคอยู่เท่าเดิมเหรอไปรักษาคนไข้อย่างเงี้ยหมอไปรักษาโรคคือโรคเป็นเท่าไหร่แล้วก็ทำให้มันอยู่เท่านั้นเหรอไม่ใช่ไหมรักษาโรคคือทาให้โรคมันหมดไปนะนั่นเขาเรียกว่ารักษาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ นี่ก็ ค, คือคำว่ารักษาเพราะธรรมะเนี่ยแหละก็ก็หมายถึงว่าต้องรักษาไว้ต้องทรงเอาไว้ <c oughs> ก็คือความดีอันนั้นเป็นข้อที่สมส่วนข้อที่ 4. สีศีลเอาละเขาเนี่ยภาคปฏิบัติเลยศีลนี่เป็นภาคปฏิบัติศีลเนี่ยจริงๆจะไปจะไปคู่กับข้อที่หนึ่งเนี่ยกรรมอ่ะคือกรรมเนี่ยยังยังไม่ไม่ได้บอกแจ้งชัด แต่เน้นที่การกระทําเน้นเน้นว่าต้องลงมือนะอะต้องขยันต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องลงมือแต่พอข้อที่สีนี่เด็ดขาดเลยว่าต้องเป็นศีลศีลแปลว่าศีลแปลว่าฮะอุ้ยแปลให้ฟังบ่อยเลยอ่ะแปลว่าอะไรอาปกติอะไรเราฮะชัว่วไปปกติ หรือยังไงศีลเนี่ยแปลว่าปกติเนี่ยต้องละชั่วคำว่าศีลเนี่ยก็คือละชั่วจนกระทั่งเป็นปกติเลยนี่คือคำว่าศีลเอาอย่างศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยคืออะไรเอา ก, ก็คื อ, อต้องละใช่ไหมละอะไรละชั่วคือละอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปฆ่าแกงอย่าไปทำรนะ้ายชีวิตอื่นเขา จนกระทั่งละได้จนกระทั่งเป็นปกตินี่แหละที่ความหมายของคําว่าศีลเพราะฉะนั้นอาจมาถึงบอกว่าข้อที่สีเนี่ยตูมลงไปเลยนะย้ําลงไปเลยว่าการกระทําของคุณก็คือชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยก็คือละชั่วให้เป็นปกติให้ได้ถ้าละชั่วยังไม่ได้ปกติเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อ่า ศีลนั้นยังไม่ไม่เป็นอริยะกันตศีลยังไม่ไม่เป็นศีลที่ดีแล้วที่ประเสริฐแล้วศีลอันเป็นของพระอาริยอันศีลที่ดีศีลที่ประเสริฐแล้วเนี่ยก็ต้องละช่วยให้ได้ละละละละล ะ, ละขึ้นไปเรื่อยๆศีลเนี่ยเราจะตั้งเองก็ได้นะถ้าเรารู้เราเรามีตัวรู้แจ้งแล้วเนี่ยมีตัววิชารู้ว่าเอออย่างนี้ไม่ดีนะ เราตั้งจิตเราขึ้นมาเลยก็ได้ว่าเออสิ่งนี้ไม่ดีเราก็จะละจะเลิกจากสิ่งนี้ก็สู้กันไปแพ้บังชนะบางสู้กันไปแต่ยิ่งนานวันเข้าเราก็ละได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสิ่งไม่ดีนั้นน่ะหมดจากตัวเราไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยอย่างเช่นขี้เกียจทํางานนะอู้บังเบี้ยวบางเรารู้โอ้โหไม่ดีเลยเราก็พยายามอ ยามเขยันนะพอพอเวลาขี้เกียจมันมาเนี่ยเอ้ยขยันนะขยันละละไอ้สิ่งไม่ดีเนี่ยการละสิ่งไม่ดีเนี่ยแลก็คือความดีใช่ไหมก็คือตัวธรรมะการละสิ่งไม่ดีฮะวันศีลคืออย่างนี้จนกระทั่งข้อที่ห้าเนี่ยตัวสุดท้ายเพราะว่าทำสี่ตัวนั้นน่ะทำสี่ตัวนั้นน่ะ ทำให้ดีทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นเราก็จะมาได้ข้อที่5ว่าชีวิตอุดมคําว่าอุดมเนี่ยหรือว่าอุตมะอุดมเนี่ยนะถ้าบาลีบางทีเขาใช้ว่าอุตมะอุตมะเนี่ยอุดมเนี่ยแปลว่าความดีความดีงามความประเสริฐอันสูงสุดเนี่ยถ้าภาษาไทยเขาใช้คําว่าอุดม ภาษาไทยไม่ใช่อุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้นะเด็กเ ด, ด, ด, ด็กชายอะไรนะอุดมเด็กดีอะไรอะอะไรนะจำไม่ได้แล้วสมัยเด็กๆอะ่ะอุดมเด็กดีที่บทเรียนเนี่ยสมัยเด็กๆอะ่ะเด็กชายอุดมเด็กดีอะไรมร่รแหมอันมันก็จะลืมหมดแล้วสมัยปหนึ่งอะไรพวกเนี้ย อะไอุดมเด็กดีเป็นเพื่อนเราอะไรนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> คําว่าอุดมเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตที่ดีที่สูงที่สุดคือการดํารงชีวิตคําว่าชีวิตอุดมเนี่ยหมายถึงการดํารงชีวิตอยู่อย่างดีอย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์เนี่ยละชั่วไปเรื่อยๆเนี่ยละชั่วเนี่ยเราจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนสูงที่สุดคืออะไรชีวิตที่อุดมเนี่ยสูงที่สุดคืออะไร ชีวิตที่อุดมเนี่ยสูงที่สุดคืออะไรถ้าคุณละชั่วได้หมดเนี่ยคุณก็ได้นิพพานก็คือคุณได้เป็นพระอาราหันต์นี่คือชีวิตที่อุดมที่สุดนั้นเนี่ยถ้าเราชัดอย่างเงี้ยห้าข้อนี้นะถ้าเราทำทำทำทำทำําจริงๆอะทำสี่ข้อนั้นแหละแล้วข้อที่ห้าก็จะได้มาถ้าทำอย่างนี้ได้นะ อะไรนะเนี่ยฉะนั้นผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงเลือกเฟ้นทมโดยแยบคายโดยแยบคายนี่ก็โดยที่เรียกว่าต้องพิจารณาดีๆนอย่าโดนหลอกเพราะในโลกทุกวันนี้หลอกเก่งมากทั้งโฆษณาทั้งอ ะ, อะไรอะไอตัวอย่างไออะไรมาล่อเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นนะต้องใช้จิตที่แยบคาย เนี่ยถ้าเลือกเฟ้นโดยแยบคายแล้วจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยชีวิตที่จะบริสุทธิ์ได้ก็คือชีวิตที่ต้องทำอย่างนี้แล้วเราก็ถึงจะเป็นคนที่ดีจริงในโลกนี้แล้วไม่ต้องอายใครและก็นี้ไม่ต้องกลัวใครแม้จะใครมาดา่ามาว่ายังไงก็เรื่องของเขาคนดีโดนด่าได้ไหม ผู้พิจารณาังโดนด่าได้เลยเอ้าวในพระตัยบิดกก็มีไม่ใช่แค่โดนด่านะเขาก็ <c oughs> ขากน้มลอยแล้วก็ถุยใส่ไม่ได้ใส่ที่ตัวหรอกนะแต่ก็ถุยแบบว่าตอนนี้ที่ว่า อ, อะไรอะ่ะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้ความอย่าว่าแต่เขาขากถุยเลยเขาใส่ลายป้ายสีที่จะให้อะไรอะ่ะ จับไปติดคุกไปไปหานอะไรอย่างยังมีเลยในประวัติของพระเจ้าคุณคิดดูเอาแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเรามีวิชาเรามีธรรมะเรามีกรรมที่เราชัดเจนตัวเราเองแล้วใช่ไหมเพราะนั้นไม่ห่วงไม่กังวลไม่กลัวอะไรนะล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตเพราะเรามีชีวิตที่ประเสริฐแล้ว วันนี้ของพอท่นนี้นะ